จู่ๆก็มีคนในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนกอะไรวะตัวใหญ่ชมัดพี่ในกลุ่มก็ตบหัวคนที่พูดโอ้ยแล้วบอกว่ามึงจะพูดทำไม <c oughs> เขาไม่ให้ทักมันอาจจะเป็นจราร้าก็ได้คนที่มองเห็นนกตัวนั้น <c oughs> ก็มีเพียงแต่พี่คนที่ทัก <c oughs> กับคนที่ตบหัวเท่านั้น <c oughs> ทำให้คนอื่นที่เหลือ